ผู้บวชสของพวกเราพวกเราได้ฟังพระปฏิโมกจบกลงสักคู่นี้เป็นเรื่องศีลของพระสองรอยี่สิบเจ็ดข้อที่พวกเราได้ฟังแต่ผู้สวดสวดเป็นภาษาบาลีเพราะนั้นพระใหม่หรือผู้ที่อยากจะศึกษาอยากจะรู้เรื่อง เกี่ยวกับการสวดในวันนี้ก็มีพระปฏิโมกแปลแปลดูเลือกอ่านด้านหนึ่งสับเป็นบาลีด้านหนึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็มีอยู่เพราะนั้นพวกเราท้างศึกษาค้นคว้าเราก็จะรู้ได้ว่าที่สวดลงจบลงสักครู่นี้พทดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับวินัยจุดไหนสิลของพระยอยย่ข้อนั้น มีอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นถ้าว่าพวกเรากระือเป็นหน้าที่ไม่ใช่ว่าไม่ควรจะศึกษาหรือว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่เราควรจะศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าพระเก่าคือว่าพระเก่าก็คือว่าผู้ที่จะบวช ด, ดำรงทรงศาสนาต่อไปภายภาคหน้ามองข้ามไม่ได้โดยเด็ดขาด ที่สินของพระ <c oughs> แต่ <c oughs> แต่สำหรับพระนวกะหรือว่าพระใหม่ก็เพียงแต่ศึกษาพอเข้าๆพอรู้เรื่องแต่จะให้ศึกษาในรายละเอียดนั้นก็คงจะยากพอสมควรเพราะมีมากแต่อีกอย่างหนึ่งเพราะเป็นสับแสงที่เราไม่เคยไม่คุ้นเคยไม่คุ้นเคยในภาษาของเราเราก็ คงจะเข้าใจได้ยากแต่ถึงยังไงก็ตามเราก็ไม่ควรจะมองข้ามควรจะศึกษาอาา่านถ้าไม่สงถ้าไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนนะเราก็ต้องถามครูบาอาจารย์การอยู่การฉันก็เหมือนกันเพศสัตว์อย่างเนี้ยไม่ใช่ว่าเขาเอาถวายอะไรมาเราก็จะฉันทั้งหมดไม่ใช่อไม่ใช่ว่าเขาถวาย ทุเรียนมาตอนเย็นก็เอา้าเขาถวายมาเขามอบมาจะไปฉันถวายเงาะมาก็จะไปฉันไม่ใช่นะเราไม่ผลไม้ต่างประเทศอย่างนี้เราจะไปฉันอย่างนี้ไม่ได้ออพระใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเวนนะให้ถามครูบาอาจารย์ซะก่อนว่าผลไม้ตัวนี้ฉันได้ไหมถูกต้องตามหลักพระวินัยไหมให้ถาม แล้วจะไปฉันก่อนถ้าฉันก่อนพิกษุกกลืนกินอาหารที่เขายัางไม่ที่กลืนกินอาหารในเวลาวิการต้องปาจิตติเลยมันเป็นโทษศีลขาดไปข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ของที่จะแบบทําแบบละลาบละลวงทําแบบไม่คิดไม่อ่านาไม่ได้อันนี้ล้วนแล้วจะเป็นศีลทั้งหมดที่พวกเราจะต้องศึกษาเรียนรู้เพราะนั้นต้องถามท่านผู้รู้ครูบาอาจารย์มี ว่าอนี้ฉันได้ไหมทําให้แม่ ใ, ใจก็ถามผมได้พวกผมเป็นหัวหน้าผมจะให้ฉันยังไงผมจะบอกอันนี้ไม่ควรฉันเนอะผมก็จะบอกเก็บให้ญาติโจมไปซะให้ใคลายไปก็ได้หรือว่าให้เก็บเป็นอาหารตอนเช้าอันนี้จะเอามาฉันนะประเคีนไม่ได้นะออไม่ใช่ว่ามีอะไรก็จะประเคีนหมดเอามาฉันหมดไม่ได้นะอพวกเราเป็นบาปเป็นกรรม เห็นแก่อยู่เห็นแก่ปากแก่ท้องมาได้ไม่ได้นะเหตุตูปิกระยะปาปังไม่ควรทําบาปพราเห็นแก่กินเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่ได้เราเป็นนักรถนักปวชเราต้องดูซะก่อนอย่างซ็อกโกระดอย่างนี้ถวายมาเป็นซ็อกโกระดแท้หรือเปล่าหรืเป็นกาแฟกาแฟแท้หรือเปล่ากคราแฟผสมนม กาแฟผสมถั่วกาวแฟผสมอะไรซ็อก ค, คราตมีอะไรมีไส้ถั่วหรือมีไส้งาหรือมีอะไรอยู่ในนั้นอันนี้เราต้องตรวจราดูให้ละเอียดไม่ใช่ว่าเป็นซ็อก ค, คราตเราก็ชันได้ทั้งหมดไม่ได้ผิดต่อพินายผิดต่อศีลของพระถ้าฉันเข้าไปกต่ศีลขาด227ข้อเนี่ยขาดตัวนั้นบ้่งขาดตัวนี้บัาง เพอเผอจะไม่ถึงร้อยเอาเท่นี่ว่าตัวเองมีสินสองรอยี่สิบเจ็ดข้อได้ยังไงเพราะมันขาดนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องพวกเราต้องสั่รวมระวังนะให้ถามผู้รู้ถ้าไม่รู้ให้ถามผมผมเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของวัดอยู่แล้วเหมืองห่องพระวินัยผมก็ได้ศึกษามาท่าจะว่าก็คือพอตัวพอสมควรอยู่ ถ้าผมไม่รู้ผมจะเปิดตาราดูเปิดตำราดูรู้รู้กระทั่งว่าซิกขาบทนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติที่ไหนบัญญัติเพื่ออะไรใครเป็นองค์กระทาผิดเอาพระไตรปิฎกมาเปิดฐานใช่กันเลยขนาดนั้นแหะคือพระวินยัยต้องให้เข้มงวดกดขันไม่ใช่ว่าอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้ไไดเลยตามเลยจะฉันอะไรก็ได้เราไม่ใช่คารวะนะ เห็นแก่ปากแก่ท้องไม่ได้อย่างที่ผมว่านะในพระบาลีนะว่านาเหตูปิกริยะปาปังไม่ควรทําบาปเพราะเห็นแก่กินไม่เห็นแก่ไม่ควรจะเห็นแก่ปากแก่ท้องนะให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยสิ่งที่เราจะฉันมีอยู่ตอนเช้าเราก็ฉันตามปกติฉันอะไรก็ได้แต่พอตอนบ่ายเนี่ยพระวินัยบัญญัติอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นอันนี้คือ เป็นหน้าที่ของพระนะอันนี้คือศีลส่วนสมาธิให้พวกเราศึกษาในด้านจิตตภาวนาพวกเราเข้ามาบวชมาศึกษาเรื่องอะไรอย่างที่ผมได้พูดแต่เบื้องแรกว่าพวกเราเข้ามาศึกษาเรื่องใจของตนเองใจคืออะไรคือใจสืตัวผู้นึกผู้นึกคิดผู้รู้เรื่องต่างๆนะถ้าพูดตามวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขาว่าสมอง ในสมองเป็นผู้คิดแต่ตามไม่จริงในหลักของพระพุทธศาสนาท่านหม่ว่าสมองทวัตใจใจคือนามาทาใจเป็นสิ่งที่รู้นึกคิดเรื่องต่างๆได้ถ้าสมองก็ใช่ถ้าว่าสมองเสียหายวิทยาศาสตร์การแพทย์กว่าถ้าสมองโดยการดบดรับการกระทบกระเทือนก็ททำให้เสียหาย ทำให้คิดไม่ได้ทำให้ทาให้เสียศูนย์ในการพูดคิดอันนั้นก็ใช่สมองเป็นเครื่องใช้ของใจอีกใจเป็นเจ้าของของสมองร่างกายเหมือนกับคนขับเหมือนกับรถใจเหมือนกับคนขับรถใจของเราเนะี่ความรู้สึกนึกคิดนะมาใช้สมองอีกทีหนึ่งสมองสั่งให้ การเคลื่อนไหวการพูดการกระทําก็สมองเป็นคนสั่งแต่ว่าคนมาสั่งสมองอีกทีหนึงเหมือนกับคนเราสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างนั้นน่ะคนขับรถอย่างนี้นะ่ะกดตัวนั้นกดตัวนี้เข้าไปอกดตัวไห น, นกดทางตาให้มองเห็นทางตามีความรู้สึกเข้ามาส่งเข้ามาหาใจเอเมื่อใจกดออกไปแล้วเนี่ยตาก็เห็นเห็นแล้วเห็นเรื่องอะไร ใจก็รับรู้รับทราบว่าเห็นเรื่องนั้นสง่งเข้าไปทางหูหูได้ยินมาส่งมาหาใจใจก็รับรู้ว่าหูได้ยินมาอย่างไรนี่แหละคือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายเป็นประตูของใจทั้งหมดเป็นประตูของใจใจเป็นผู้สั่งสั่งสมอง ให้มองทางตาให้มองทางหูให้มองทางจมูกให้มองทางให้ทางลิ้นทางลิ้นก็คือรสเผ็ดรสเค็มรสอร่อยไม่อร่อยลิ้นเป็นผู้บอกตาจะไปบอกไม่ได้หูจะไปบอกไม่ได้คือหน้าที่ของใครของเราแต่ก็ส่งเข้ามาใจใจเป็นผู้รับรู้ทั้งหมดเพราะนั้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายส่งเข้ามาหาใจคือตัวผู้รู้ตัวผูรู้นั่นคือใจนามธรรม จิตก็ได้ใจก็ได้รู้ก็ใช่มนโนก็ใช่ก็คือสรุปแล้วก็คืออันเดียวกันนั่นแหะนี่ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสนใจจุดนี้อย่างมากเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงจะทําใจให้สงบให้ได้นะทำใจให้นิ่งอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพระนักงานอย่างนี้ไม่เคยชินกับการอยู่ลาพังไม่เคยชินต่อการอยู่การฉันไม่เคยชินต่อการเป็นอยู่ ในความสงบสงัดเงียบอย่างนี้ <c oughs> ผมมั่นใจเหลือเกินว่าพวกท่านทั้งหลายต้องปรุงฟุ้งออกไปเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายให้ดูดูใจของตอนเองว่าวันนี้เราคิดปรุงฟุ้งไปเรื่องอะไรทําไมเราจะฟุง้งเราก็รู้แก่ใจว่าเรามาบวชมาบวชทําไมเราบวชเพื่ออะไรเราจะบวชกี่วันเราจะอยู่ไปยังไงทําไมเพราะเหตุไรเราก็รู้แก่ใจ แต่ทำไมมันปรุงให้ฟุง้งซ่านให้โง่ทำไมไะทาไมไม่บอกตัวเองอย่างนั้นเพราะนั้นสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์สาหรับเร า, เ, าเราก็ค้นคว้าหาสิ่งที่ไม่ให้มันคิดมันปรุงสิเออ่านหนังสือบ้างฟังเทปบ้างนั่งสมาธิบ้างกำหนดใจบ้างดูทุกสิ่งทุกอย่างนั่นะเอราพอเรามาฝึกหัดเรามาภาวนาเรามาปฏิบัติ ตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าครูบายกจารแนะนำสั่งสอนถ้าว่าเราอยาถ้าเราจะทำอย่างใจของเราเราจะมาบวชทำไมเราเป็นอยู่คราวาิจะไม่ทุกข์ใจขนาดนี้แต่เมื่อเรามาบวชเราจะฝึกหัดตัดนิดสัยฝึกใจของตนเองเราจึงมาบวชเราจึงมาทำอยู่อย่างนี้เพราะนั้นต้องสอนตัวเองอย่างเข้มงวดกวดขันอย่าปล่อยจิตปล่อยใจ อย่าท้าวว่าปล่อยจิตปล่อยใจไปแล้วนั่นแหละใจของเราใจของเราจะปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกอผลที่สุดก็เลยทนละทมทุกข์ใจที่ไปรับอารมณ์ภายนอกเข้ามาไปคิดปุ่งฟุ้งออกมาแล้วมาส่งถึงใจใจละทมทุกขนะ์เป็นพระจะละทมทุกข์อย่างนั้นได้ยังไงต้องดูทําจิตให้สงบทํำยังไงกําหนดลมหายใจเข้าออก อย่างที่ผมเคยบอกเคยสอนพุทโธพุทโธพุทธโธกําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทธออกจนั้นก็ลงเดินเถเดินไปเดินให้หยุดง่ายๆเดินมาทั้งคืนไปไงเดินทั้งวันเป็นไงตากแดดเดินเป็นไงเดินพุทโธพุทโธพุทโธบังคับให้มันอยู่กับพุทธโธเราบังคับอย่างอื่นเรายังคับบังคับได้บังคับใจให้อยู่กับตัวเองไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหนบังคับดูสิ อันนี้คือพระพุทธเจา้าพระแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนแล้วนั่นเมื่อเขาบวชเข้ามาต้องฝึกหัดตัดนิสัยอย่างนี้อเหมือนกับวัวควายที่ชาวไร่ชาวนาเขาจะฝึกหัดใ ส, ใสแอกใสไถนะออถ้าจะจับมาเลยให้มันเดินย่องย่องไปเลยตามปกติมันไม่มีนะอะเขาต้องเขี่ยนต้องตีต้องกระทบกระทัดทั้งกระชากรากถูว่างั้นก่อนที่จะมันเดินได้จากนั้น พอฝึกได้แล้วทีนี้มันก็เดินได้ทําการทํางานได้ใช้การใช้งานได้ก็มีประโยชน์อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยใจของเราเราไม่ฝึกหัดตัดนิสัยไม่ไม่ฝึกหัดตัดใจของเราปล่อยตามประศีประสาทปล่อยตามเรื่องตามเราจะให้เป็นคนดีจะให้จิตใจเป็นคนที่ดีมีสติมีปัญญามันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นไม่ต้องฝึกหัด ตั้งแต่การเรียนหนังสืออย่างนั้นเป็นต้นนะการเล่าเรียนตั้งแต่กอไก่ขอไข่จนถึงปริญญาตรีโทเอกมันไดบ้บังคับทางนั้นน่ะอยากจะให้ใจตัวเองอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างปลอดโปร่งทุกสิ่งทุกอย่างรู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เราต้องเรียนต้องพยายามสิ่งไหนไม่รู้เราพยายามให้เรียนเรียนให้รู้นะอันนี้ก็เหมือนกัน่นะการประพฤติปฏิบัติธรรมในจิตในใจของพวกเราควรจะ เข้มงวดกวดขันกับตนเองให้มากเป็นพิเศษสักหน่อยเพราะจิตใจของเราเคยเคยปล่อยปะ ล, ปละเลยเคยเไม่เคยที่จะมาเข้มงวดขวดขันแต่บัดนี้พวกเราเข้ามาบวชเราพยายามนำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับมาเป็นตัวอย่างมาบังคับใจของเรา ให้อยู่ในความสงบให้เป็นหนึ่งคือให้หยุดให้หยุดคิดนในเมื่อหยุดคิดได้จะนด้นก็ให้คิดให้คิดถ้ามันไม่อยากคิดบังคับให้คิดคิดเรื่องอะไรถ้าเป็นหลักของพุทธศาสนาท่านคอ้คิดในเรื่องเห็นร่างกายสังขาร เป็นของไม่เที่ยงแต่สําหรับเป็นเราเป็นครวาตในคิดอะไรเราสมมติว่าเรามีหน้าที่การงานทันบัญชงการบัญชีการวิศวะคงวิศวกรการทําการทํางานเอเราจะคิดในเรื่องนั้นก็ได้เราคิดคิดดูว่าเองานของเราเราจะทํำยังไงอย่างนี้เอแต่ก็จะให้มันเตลิดเปิดเปิงพอคิดไปแล้วก็เออมันทำอย่างควรจะทําอย่างนั้นคือคิดในกรอบ เหตุผลไม่ให้คิดตเตลิดเปิดเปิงว่างั้นนะในถ้าว่าคิดแบบตเตลิดเปิดเปิงน่ะไม่ใช่ทําอย่างนั้นถ้าคิดตเตลิดเปิดเปิงพุ่นจะไปตั้งยังวิมานอยู่กลางอากาศเอีอย่างนั้นไม่ได้หนะยี่ไปนานเดียวก็ส่งข้อลงพยาบาลกิตเตเวศธนาสินี่ถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะด้านการที่จะคิดก็าตามก็อยู่ในกรอบของเหตุผลว่าเป็นไปได้อย่างไรเนี่ย อันนี้ก็เหมือนกันในหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าให้พระสาวกพระสงฆ์สาวกของพระองค์คิดคิดอะไรให้คิดเห็นร่างกายร่างกายสังขารตั้งแต่หัวจดเท้ามีอะไรเป็นโครงสร้างอยู่ในนี้มีกระดูกเป็นโครงสร้างมีเนื้อมีหนังมีหนังหุ้มห่ออยู่โดยโดยรอบข้างในมีเนื้อมีเอ็นจากนั้นก็มีกระดูก มีตับมีลำไส้มีปอดมีอะไรอยู่ข้างในอันนี้ก็คือให้พิจารณาตามความเป็นจริงจริงไหมร่างกายเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมอันนี้ก็คือให้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะนำดยให้พระสงฆ์สาวกของพระองค์คิดไงให้คิดเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วนั่นแหละจิตใจก็จะอยู่ในเกราะเห็นตามความเป็นจริงเบื่อหน่ายคลาย เี่ยรู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมถ้าจะโกรธไม่รู้จะโกรธไปทําไมถ้าจะโลภก็ไม่รู้จะโลภไปทําไมอะไรมากมายนักหนาอถ้าจะหลงก็ไม่รู้จะหลงไปทําไมถ้าจะรักก็จะไม่พรา้จะรักไปทําไมอรักอะไรมากมายนักหนาแต่ตัวเองก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วจะต้องทิ้งอยู่แล้วร่างกายสังขารมันเป็นอยู่อย่างนี้ ถ้าเรารู้เท่ารู้ทันภายนอกภายในรู้ทัเขารู้เรารู้หมดทุกอย่างสรรพสัต์ทั้งหลายในโลกเราจะไม่ลุ่มไม่หลงกับสิ่งเหล่านั้นนี่แหละอันนี้คือหน้าที่ของพระจะต้องคิดจะต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะที่มาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นนว ก, กะให้ถูกตั้งใจและกับหลักพระธรรมวินัยก็จะให้ ขาดตกบกพ่องสรุปแล้วก็คือให้ดูกิเลสของตัวเองนะล่ะกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสมัะหะมันเหยียบย่าทำลายขยําอยู่ในหัวจิตหัวใจของพวกเราพวกเรายังเป็นนา น, นอนอกนอนใจหัวเราะเยาะหัวรเราะเอยู่อย่างนั้นไม่ได้นะเอมันเหยียบย่ำทาลายอยู่ในจิตในใจมันทุกข์ขนาดไหนเหลื่องใจที่กิเลสเหยียบอยู่ในใจนะถ้าพวกเราเอาชนะมันได้นะชนะใจตัวเองได้ จิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจปล่อยวางจิตใจรู้แจ้งเห็นจริงจิตใจรู้จริงเห็นจริงรู้ใจรู้เห็นตามความเป็นจริงค่ะจิตใจรู้เห็นตามความเป็นจริงนะจากนั้นก็จิตใจก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทำตามหน้าที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเรามีหน้าที่อะไรทำเราทำถึงนั้นให้ดีที่สุด ถ้ามันเหลือวิสัยไปแล้วแบบมันชุดวิสัยจะทำยังไงแล้วก็ปล่อยวางอยู่ที่ใจไม่เดือดไม่ร้อนไม่บุญไม่วายนั่นนะคนมีธรรมในใจสรุปแล้วก็คือใจมีเหตุมีผลใจไม่สุดโตรงไปข้างใดข้างหนึ่งถ้าติดใจมีกิเลสในใจแล้วนั่นหละถ้าว่าเกิดความไม่พอใจขึ้นมากัถาโถมความรู้สึกต่างๆตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่มาเขามาคิดมาคิดมาคิดมาคิ ด, ม, คดม่คิดเขา้า เพื่อสมเข้าให้มันโกรธมากๆจากนั้นก็โป้งป้า ง, งดาฆ่าใครก็ได้เพราะมันโกรธมากๆากทมันรักก็เหมือนกันถ้ามันเกิดความรักในนันน่นะหาข้อมูลต่างๆที่ได้พูดได้เห็นได้เจอได้พูดได้คุยถาโถมออกมากันนั่นเป็นความรักออกมาสินนั่น อ, อันนั้นก็คือมันกิเลส ท, ทั้งนั้นกิเลสออกมาออกมาจากใจ เรานั้นในหลักของพุทธศาสนาทาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ดูที่ใจนะดูที่ใจแก้ที่ใจปล่อยวางที่ใจเมื่อใจหลุดพ้นจากกิเลสหลีดออกจากกิเลสแล้วนั่นนหะบรมสุขอยู่ที่นั่นนะใจใจของเราเป็นเข้าสู่ธรรมธาตุธาตุธรรมธรรมธาตุ ใจที่ไม่เป็นกิเลสใจที่ไม่มีกิเลสใจดีออกจากโลภโกรธโงะที่เป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพน้นนั่นแหละบรมสุขเป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พ่อแม่ครูบายการแนะนําเน้นหนั ก, เ น, นนกเน้นหนากันเรื่องนี่แหละเรื่องจิตตภาวนาทา ย, ยังไงจริงจะรู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางได้นี่แหละหลักของพุทธศาสนานจุดสูงสุดนะ ให้พวกเราศึกษาถึงพวกเราจะถึงไม่ถึงจุดนั้นก็เถอะนะเขาพยายามฟังเอาไวเ้เหมือนกับพวกเราไม่ได้จบปริญญาเอกสาขาไหนแต่เราถ้าเราชอบนะะถ้าเราชอบ เ, อเราก็ต้องเดินแต่นี่ธรรมะของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นชอบหรือไม่ชอบเราจะต้องไปเชิญทุกคนไม่เป็นอย่างอื่นนะต้องเรียนรู้ไว้ก่อนแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้เอาไว้ ถ้าปัญหานั้นมปเผชิญกับเรานั่นแหละเราจะทําตัวไม่ถูกเมื่อทําตัวไม่ถูกไปยังไงทุกอย่างเดียวเหมือนกับคนทําอะไรไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้ไม่ได้เตรียมตัวไว้ไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าเอาไว้ไม่ได้เตรียมพร้อมเอาไว้ไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนเยมีแต่ทุกเข้ามาหาพวกเราเพราะนั้นให้พวกเราเตรียมตัวอศึกษา ตามทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านแนะนํำยังไงเราศึกษาไปเรื่อยๆถึงจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางนั่นแหะรู้จักแนวทางเอาไว้ว่าจุดจบของชีวิตนั่นคืออะไรเอออย่างที่พระพุทธเจ้าพูดไม่เป็นอย่างอื่นแน่นอนนะอ่วันนี้ผมขอพูดในท้ายพระปฏิโมกขอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะเบิกตนผมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องศีลและวินัยสำหรับให้พวกเราศึกษาอย่ามองข้ามแล้วก็พร้อมกันก็ให้ พระนวากาหรือพระใหม่ให้ศึกษาปฏิบัติธรรมะเข้าสู่จิตใจสมาธิคืออะไรมีความจำเป็นสําหรับเราอย่างไรควรจะคิดยังไงควรจะหยุดคิดอย่างไรพิจารณาอะไรจุดมุ่งหมายจุดมุ่งมั่นของพระพุทธเจ้าที่ให้พวกเราปฏิบัตินั้นจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้านั้นหรือจุดประสงค์ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนพวกเรานั้น ท่านจุดประสงค์อย่างไรนะไอ้ผูนั้นพวกเราให้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติความสุขความเจริญก็จะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเรานะขอพูดเพียงเท่านี้